ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีใจดวงเดียวนี่แหละพากันทะนุถนอมเอาจะไปสวรรค์ไปนรกไปพันิพาลก็จิตดวงเดียวนี้จิตดวงนี้เมื่อมันยังไม่ฉลาด มันก็ใช่กายวาจาทาชั่วพูดชั่วบ้างทำดีพูดดีบ้างปนเปนกันไปอยู่อย่างนั้นันพู้ที่ฉลาดน้อยก็ทำความชั่วมากทำความดีได้แต่น้อยเป็นอย่างนี้คนเราเหตุที่มันจะได้ทนทุกข์ทรมาน อยู่ในโลกสนิวาตอันนี้เกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นโยนี่ความเป็นผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่ขบหาสมาคมกับนักปราันณิต ยอมทำชีวิตให้อับเฉาผู้ใดไปได้หลงไปคบกับคนผานคนชั่วคนนั่นก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างแร่นแค้นไม่เจริญรุ่งเรืองไม้พึงพากันเข้าใจเราเกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ ถ้าเกิดมาก็มีมารดาบิดามีพี่ชายมีพี่สาวมีลุงป้านาอามีเพื่อนบ้านถ้าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็มีอุปชามีกรรมวาจาจารมีอาจารย์ผู้ สอนธรรมสอนวินัยมีคณะสงฆ์เป็นผู้นั่งห่มร้อมเวลาบวชจึงสำเร็จเป็นพิกถูภาวะได้เราพิจารณาดูให้ถี่ทวนลองดูสิชีวิตคนเราในี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอย่างไรบ้างนี่แหละเมื่อผูใ้ใดคิด ให้รอบคอบอย่างว่านี่แล้วมันก็ย่อมเคารพกันตามคุณธรรมตามคุณวุฒิก็ย่อมทำตนไม่แข็งกระร่างกระเดืองตนอยู่ในฐานะเช่นไรก็ต้องวางตนให้มันเหมาะสมกับภาวะของตอนคนเรานะ่ะเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาในโลกนี้นะ พระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทานั้นกรรมของตนมันก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างนี้เริ่มตั้งแต่มารดาวิดานะันแนีะเป็นต้นมาเกี่ยวข้องกันมาแต่ในอดีตชาติหนนหลัง ได้ทำความดีร่วมกันก็ได้มาเกิดเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานของกันและกันมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธ เ, เจ้าจึางตรัสว่าคนเราเนี่นนะทอยที้ทอยก็มีคุณต่อกันและกันพอได้อาศัยซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องมองเห็นคุณความดีของกันและกันอยู่ร่วมกันอย่าไปมองแต่เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพราะคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วคุ้มดีคุ้มร้ายอืมถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรามาตตรงไปอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไม่ประมาท ก็ต้องให้อภัยแก่ผู้ที่ประมาทนั้นไม่ตอบโต้ไปในทางที่ไม่ดีเราจึงอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุขถ้าไม่พิจารณาให้รอบครอบอย่างนี้แล้วตัวใครตัวมันอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าคิดอย่างนั้นต้องอยู่คนเดียว ไม่ต้องอยู่กับมูจึงถูกต้องถ้า ย, ยังอยู่กับมูอยู่มันต้องมีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุติตาเวกขาอยู่ในใจต้องมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการนี้อยู่ในใจแล้วถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทุกคนละอย่างนี้นะ เราอยู่กันได้สบายมากไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะต่างคนต่างก็ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเหมือนกันไม่ได้ปรารถนาให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทำไม่พูดสิ่งที่ผู้อื่นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนคือในที่ว่ามีเมตตาต่อกัน ความเป็นผู้ไม่มีเมตตาทำกรุณาธรรมมันก็ตรงกันข้ามนั่นแหละทําอะไรไม่มองหน้ามองหลังว่ามันจะกระทบกระทั่งกับใครไม่ไม่สนใจพูดอะไรก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าเมื่อตนพูดอย่างนี้ไปมันจะกระทบผู้อื่นให้เสียใจให้เจ็บอกเจ็บใจไม่ดีมันไม่คิด คิดไม่ได้เลยบางคนน่ะเป็นอย่างนั้นเอาแต่ความประสงค์ของตนเป็นประมาณตนต้องการพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็พูดไปทำไปจะกระทบกระเทินใครก็แล้วแต่อันเช่นนั้นน่ะไม่เหมาะสมกับการอยู่กับคนหมู่มากความประพฤติเช่นนั้นความเห็นเช่นนั้น ดัง น, นนะั้นทุกคนเมื่อเราอยู่ร่วมกันหมู่มากนี่ต้องปรับปรุงความเห็นให้มันเข้ากันได้กับคนหมู่มากมันต้องมียืดยุนมีอารมณ์อรวยกันไปอย่างนี้ตั้งแต่ครัง้งพุทธการนุนามานะั่นพระที่ยังไม่สินอาสวะกิเลสนั่นท่านอยู่กันได้ก็เพราะเหตุว่า พระองค์ทรงสแสดงอปริหานิยธรรมเจตประการไว้ให้ภิกษุสามนเณรประพฤติปฏิบัติตามนี่หนึ่งเหมือนมันประชุมกันเนืองเนตพระองค์แก้วสอนนะเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกัน ทำกิจที่สงจะต้องทําอืมแล้วก็ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พงพระองค์ทรงบัญญัติไว้สมทานศึกษาโยในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นพิกจุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสง ควรเคารพนักถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสะนะอันสังกัดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรรูปใดที่มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา เมื่อมาแล้วขอให้อยู่เป็นโชอนี่คุณธรรมเจ็ดประการนี่นะขอให้พากันท่องจำเอาให้ได้แล้วประพฤติปฏิบัติตามอย่าพากันละเลยก็เพราะไม่รู้ทรรมดังกล่าวมานี่แหละคนบางหมู่บางพวกนะ่ะถึงได้ทะเลาะวิวาดกันหาความสงบไม่ได้ บางรูปบางร่างนงมักเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างนี้น ะ, ะการทำการงานทำกิจจำวาดต่างๆอันเป็นส่วนรวมหนึ่งเราก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันเอาใจใส่ในหน้าที่การงานอันเป็นส่วนรวมเนี่อย่างนี้สาเหตุที่มันจะให้เกิดปองรองสามะคีกันได้นะ เวลาทําการทํางานอยู่นั้นก็ระมัดระวังอย่าให้ไปกระทบกับทั่งกันเลยกันอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจนะแล้วช่วยกันทํากิจที่สงจะต้องทําำลองคิดดูสิเพราะว่าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นะ ถ้าเรามีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจทุกคนแล้วต่างคนต่างก็คิดว่าเราจะทํากิจจวัตรต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์แกต่ตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หมู่แก่คณะเราจะต้องทําหมู่ทําคณะให้สวยสดงดงามเรียกว่าคณะโสภโนเนี่ย แต่ว่าเป็นผู้ทาหมู่คณะให้งดงามในพระพุทธศาสนานี้ mm hmm. ก็ให้พากันคิดอย่างนี้ทุกรูปทุกนามการเป็นนักบวชนี่นะการอยู่ร่วมกันแ mm hmm. ม้เป็นชาวบ้านก็เหมือนกันน ะ, ะครอบครัวหนึ่งๆอย่างนี้ถ้าขาดพรหมวิหารธรรมนี่แล้วมันก็จม ทะเลาะวิวาดกันเอารัดเอาเปรียบกันออืกิเลสนั้นมันไม่เห็นแก่หน้าใครผัวเอารัดเอาเปรียบเมียเมียเอารัดเอาเปรียบผัวออย่างนี้โรคเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่บางคนอยากให้พ่อแม่นั้นช่วยเหลือตนเรื่อยไป แม่เพื่อนเลี้ยงตนใหญ่ก้าหน้าบานมาแล้วก็ยังไม่คิดที่จะเลี้ยงตอบเลี้ยงท่านตอบไม่คิดทำการทำงานเพื่อตอบบุญแทนคุณข่าเข้าป้อนและน้ำนมไม่คิดนะบางคนน่ะลูกเต้าบางคนน่ะทำเพียงงั้นเห็นว่าพ่อแม่รักตนอ้าวเพื่อนทำการทำงาน พยันมันเพียรหาเงินหน้าทองมาก็เพื่อลูกเพื่อเต้าอันความเมตตาของพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นคราวนี้ลูกก็ไม่เห็นอกเห็นใจพ่อแม่เลยบางคนนะขึ้นบ้านไปไปหากินข้าวที่พ่อแม่แต่งไว้กินอิ่มแล้วรงเรือนหนีไปเที่ยวเช่นนี้นะ เมื่อท้องหิวแล้วกลับมาบ้านมากินแ่ อ, อย่างนี้นี่มันเอาเปรียบพ่อแม่เลยผู้เป็นลูกเป็นเต้าเป็นบาปเป็นบาปมากทีเดียวอ้าวผู้เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นศิษย์ของครูของอุปชาอาจารย์อย่างนี้แล้วก็หาแต่ความสบายเห็นว่าคนอื่นทำข้อวัดปฏิบัติ อันเป็นส่วนรวมแล้วตนไม่ต้องทำเมื่อตนไม่ทำก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ยิ่งได้ใจใหญ่ยิ่งเกียดคร้านไปยิ่งไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้คิดถึงกิจส่วนรวมไอ้อย่างนี้ก็เป็นบาปเป็นบาปเป็นโทษให้พึ่งเข้าใจอย่าไปเข้าใจว่า ตนไม่ได้ทำงานอย่างนั้นแล้วตนสบายสบายก็สบายตั้งแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละปัจจุบันที่เป็นอยู่นี่ในเมื่อในเมื่อเพื่อนทวงนี่บุญคุณขึ้นมาละจะว่าไงมานี่นนั่นแหละเดี๋ยก็เดือดร้อนแล้วมานี้ยน ะ, ะคุณนี่ไม่ทำกิจอะไรทุรอะไรส่วนร่วม ไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้สมควรหรือ อ, อย่างงี้ถ้ามีใครว่าเข้าอนี้ก็เอาแล้วไม่พอใจเราเดือดร้อนแหละโกรธโมโหโทโสขึ้นมาอย่างนี้นี่ไม่ถูกนะอย่าไปทำกันอนะ่ะอย่าไปทำกันอย่าประพฤติอย่างนั้นต้องเอาอกเอาใจซึ่งกันและกัน อย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันอยู่ร่วมกันโม่ามากอนะ่ะเพราะว่าต่างคนต่างนี้จากบ้านจากเรือนมาบวชความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระอุปชาอาจารย์เป็นผู้ฝึกปรืออ่าเป็นผู้ฝึกคนอบรม จัญญามารยาททางกายทางวาจาเป็นผู้แนะนำทางธรรมเพื่อทำละจิตใจที่เศ้าหมองขุ่นมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสให้เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสสงบระ ง, งับบันเทาทุกทางใจเสียได้นี่การที่เราบวชมาไม่ใช่ว่าจะมาอยู่โดยลำพัง ไม่ต้องให้ใครแนะนำสั่งสอนจากเกือนถ้าไปไปเห็นอย่างนั้นนะไม่ถูกต้องนะอะไม่ถูกต้องผิดหลักของศาสนาผูกง่ายๆเรื่องศาสนาแล้วต้องเคารพกันตามลำดับตั้งแต่พระที่นั่งหัตถบาทให้ห้อมร้อมตนให้ตนได้เป็นพระเป็นเจ้าไป ก็เชื่อว่าเป็นอาจารย์ขั้นหนึ่ง อ, อย่างนี้ลแล้วก็อีกขั้นหนึ่งหกกรรมวาจาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดยติเจตุถะกรรมวาจาคือว่าสวดยติเที่ยวทีหนึ่งแล้วสวดอนุสาวนาสามเที่ยวรวมเป็นสี่เที่ยวจบลงแล้ว ตนจึงได้เป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนาตามระเบียบแห่งอุปสมบทวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้การที่จะได้เป็นพระรูปหนึ่งหนึ่งนี้ต้องผ่านขั้นตอนมาอย่างโชคชนให้คิดดูทบทวนดูให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อ ได้ทบทวนดูอย่างนี้แล้วผู้นั้นยอมเห็นคุณต่อสงฆ์อย่างมากมายแบบนี้โอ้เรานี่ได้เป็นพระเป็นเจ้ามาเพราะคณะสงฆ์ได้อนุเคราะห์ได้มีเมตตาอนุเคราะห์เกือ้อกูลตนมาเป็นขั้นๆมาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มมาเข้าวัดเป็นนาคท่านก็ให้โคนผมหลือให้นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีลแปดอย่างนี้แหละตนเป็นผู้มีศรัทธาอยากบวชอยู่แล้วก็ยอมทําเคยรับประทานอาหารอยู่ในบ้านในช่องวันละสองมือ 3, ม้อสามมื้อวันละสองคาพสามคา บ, 3, าบมาเมื่อพอใจในการบวชแล้วก็มารับประทานอาหารเพียงคาบเดียวก็อยู่ได้เพราะความพอใจ ความยินดีปีติในการที่ตนได้สละบ้านเรือนสละความทุกข์ยากกากรรมในการงานมาบวชเมื่อตนได้เข้ามามัดว่าอารามแล้วอย่างนี้ภาระของการงานต่างๆดังกล่าวมานั้นก็จบลงแต่เพียงแต่ามาทำข้อวัดปฏิบัติ ในวัดว า, ารามนี่ก็ไม่หนักไม่น่าอะไรเท่าไรนักไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้อาบเหงื่อต่างน้ำกำพ้นทนแดดเหมือนอย่างอยู่ครองเรือนเลยนี่นี่อาณิสง์แห่งบุคคลผู้เสียสละบ้านเรือนหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมาบวชอย่างนี้ก็ได้รับความสุขในขั้นต้นนี่ นับว่าพอสมควรทีเดียวนี่พอบวชเข้ามาแล้วเช่นนี้ก็ย่อมมีความภาคภูมิใจว่าตนได้บวชเข้ามาแล้วก็ดีอกดีใจอย่างนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำสังฆกรรมร่วมกับสงฆ์ในเมื่อเราได้สารวมระวังปฏิบัติตามพระวินยัย ได้เต็มที่เลยอืออย่างนี้แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วเอาแต่ความชอบใจของตนเป็นประมาณตนอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่คำนึงถึงพระวิในไม่คำนึงถึงระเบียบกฎกติกาของสงฆ์เช่นนี้นะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ในธรรมในวินัยเป็นผู้ไม่เคารพต่อสงฆ์ผู้เช่นนั้นไม่สมควรจะบวชอยู่ได้เลยแม่บวชมาแล้วก็จะอยู่ในนานไปไม่ได้แล้วอก็จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปได้ขอให้เข้าใจผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้นั้นต้องเป็นผู้รถละลดละทิฏฐิมานะ ความเย่อหยิ่งความถือมั่นในความเห็นของตนโดยส่วนเดียวตนเห็นผิดจูกก็สำคัญว่าตนเห็นถูกอันนี้มันต้องละทิ้งให้หมดเลยมาศึกษาเอาธรรมวินัยของพระติเจ้าเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตอ่าอย่างนี้เพราะความคิดความเห็นของตนที่ก่อนบวชนั่นอะ เป็นเครือหัดอยู่นั้นมันอาจเอ็นเอียงไปตามอานาจของกิเลสตนมีกิเลสอะไรเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจตนละมันไม่ได้ตนตกอยู่ในอานาจของมันมันก็ย่อมบังคับบัญชาให้ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลส ช, ชนิดนั้นดีบ้างชั่วบ้างผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นแหละ ัาทีนี้เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราจะไปรู้อำนาจแกกิเลสอย่างว่านั้นเลื่อยไปไม่ได้เลยให้ทบทวนดูให้เห็นเมื่อเรารู้ว่าตั้งแต่ก่อนบวชนั้นตนได้รู้อำนาจกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นมาเอาบวชเข้ามาแล้ววันนี้เอาเราจะไม่รู้อำนาจแกกิเลสเหล่านั้น เราจะสู้กับมันละมันให้มันหมดไปตั้งใจให้มันเข้มแข็งไปอย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นแก่คบแกฉันเถือสันโดษตามมีตามได้การนอนก็ต้องรู้จักประมาณเนี่ยบางคนก็นอนหลับนอนไหลไม่รู้จักเกืน ถึงเวลาควรจะตื่นก็ไม่ตื่นออย่างนี้เราต้องให้เข้าใจมันไม่ถูกทางเลยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมความประพฤติมักง่ายเกียจคร้านเห็นแก่ตัวเหล่านี้นะชอบเอาเปรียบคนอื่นไออย่างนี้มันไม่ถูกต้องตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่าง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 ทิฏฐิมานะต่างๆลงไปอืไม่บัญญัติสิ่งที่เพราะพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้มันก็ให้สนใจจริงๆเมื่อพิจารณาดูตามอปริญหานิยม อริยธรรมข้อนี้แล้วมันจึงจําเป็นที่เราจะต้องเรียนบวกเข้ามาแล้วนะอะ่เมื่อปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมข้อนี้นะต้องตั้งใจเรียนให้รู้พุทธบัญญัติอะจะไปอาศัยแต่ผู้อื่นหาธรรมหาพูดอและจึงจะไม่ผิดวินยัยแต่ตนเองเนี่ยไม่รู้ ว่าพุทธบัญญาติธรรมว่าอย่างไรบ้างข้อไหนบ้างอย่างนี้ไปดูเอาแต่ผู้อื่นอย่างเดียวไม่ได้นะขอให้เข้าใจมันต้องเรียนต้องจำใส่ใจของใครของเราไว้ข้อวินัยก็ดีข้อธรรมะก็ดีอย่างนี้มันยังถูกตามอปริยานิ ย, นยธรรม ข้อที่สามนี้ข้อที่สีพภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ให้เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้เหละยถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้อย่างว่านี้แล้วบางที ไม่พอใจกับอุปชาอาจารย์มันก็เลยไม่ทําตามเฉยเลยไม่เชื่อฟังท่านแนะนําตะเกือนอย่าไปทําอย่างนี้นะให้สํารวมระวังอย่างนี้มันก็ไปล่วงไปแล้วมันไม่พอใจนี่เป็นอย่างั้นมันไม่เคารพนับถือนี่มันจะทําตามทําไมล่ะเนี่ยอปริหานิยธรรมข้อนี้ พระองค์เจ้าสอนในผู้บวชเข้ามาแล้วต้องเคารพนับถือภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ต้องเคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคําของท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นพระเถระผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ได้ฝึกตนของตนมาแล้ว อย่างโชกชนในพระธรรมวินัยเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดในธรรมวินัยเป็นผู้รู้จักอาบัตนักอาบัตเมารู้จักวิ ธ, ธีออกจากอาบัตรู้จักนำลุกเสีลนุกหาประพฤติปฏิบัติไปให้ตรงตามธรรมตามวินัยพระเถระเช่นนี้แหละสมควรเป็นใหญ่เป็นประธานในสง ในคณะสงฆ์มูเรื่องหนึ่งมเมื่อพระเถระท่านเป็นผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานแล้วผู้เป็นผู้น้อยก็ย่อมเข้ารบนับถื อ, อเต็มที่เลยอย่างนี้แหละถ้าพระเถระผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เกียิคร้านไม่ทํา ตัวอย่างอันดีงามไม่เคารพต่อธรรมต่อวินัยบางสิ่งบางอย่างร่วงธรรมร่วงวินัยให้สานุสิทธิ์ได้เห็นอยู่ เ, เช่นนี้นะลุกสิษย์เป็นผู้มีความรู้ในธรรมในวินัยเห็นอุปชาอาจารย์ทำไม่ดีอย่างนั้นก็ขาดความเคารพคารวะอันนี้จะไปยกโทษทุกสิธิ์ก็คงไม่ได้แน่ มันต้องดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายข้างผู้เป็นอุปชาอาจารย์เป็นประมุขประธานของสองกระต้องประพฤติตนให้เหมาะสมต่อสังคมนั่นนั้นพูดง่ายๆว่าต้องตรงไปตามทำตามวินัยเช่นนี้แล้วผู้น so. ้อยจึงเข้ารบจำเกรงจึงค่อยทำตามคำสั่งสอนแนะนำได้ เอผู้น้อยเมื่อว่าเห็นผู้ใหญ่ไม่ประพฤติตรงรรต่อทมตวินัยอย่างนี้แล้วเราไม่มีความสามารถจะไปสั่งสอนท่านได้ในพระวินัยนะท่านยังกล่าวไว้ว่าให้ไปขอร้องให้ท่านผู้มีอำนาจเหนืออุปชายอาจารย์ของตนนั้น ได้มาช่วยเมตตาแนะนำตักเตือนให้ถ้าตนไม่มีความสามารถอย่างนั้นแล้วก็ลีกไปในที่อื่นไปสาแสวงหาอุปคูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดีเช่นนั้นน่ะมันก็ได้อยู่บางพระภิกษุสรมเนนบางรูป สาที่เห็นม า, เ, าเมื่ออุปช า, าจันาร์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยแล้วก็มักจะกระทบกระทั่งเบียดเบียนฐานุสิทธิ์โดยความไม่ยุติธรรมลุกสิทธ์เดือดร้อนลาซึกออย่างนี้จนะมีอยู่ทมไปนั่นนี่ว่าคนไม่ฉล า, าด คนฉล า, าดไม่จำเป็นต้องไปลาศึกเมื่อเห็นว่า อ, อุปชาอาจารย์นี่เป็นผู้ประพฤติไม่ยุติธรรมต่อธรรมต่อวิในอย่างนี้แล้วเราก็ร่ำลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวิในได้อยู่นี้ไม่ใช่ว่าพระวิัยบัญญัติผูกขาดไปเลย ในสำนักอื่นเมื่อไปอาศัยอยู่ในสำนักใดแล้วเช่นนี้เราก็ต้องสังเกตดูความประพฤติของเจ้าอาวาสในวัดนั้นเสียก่อนภายในสามวันหรือเจิดวันเมื่อเห็นว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยด้วยดี ท่านทำอะไรพูดอะไรก็เป็นที่ชอบใจของเราเป็นธรรมเป็นวินัยด้วยอย่างนี้แล้วก็แม้เราไปสังเกตเห็นในวันสองวันเท่านี้ก็รู้ได้นะว่าท่านเป็นคนดีก็รีบข อ, อนิสัยทันทีเลยก็ได้เป็นงั้นแต่ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ต้องรอไปสักสามวันหรือเจ็ดวันสะกก่อน มั่อนแน่ใจแล้วว่าท่านเป็นผู้เคารพต่อธรรมวินัยจริงๆเป็นสงควรเป็นผู้นําเป็นผู้แนะนําหมู่ได้จริงๆก็จึงขอนิตัยขออยู่อาศัยขอฝึกฝนอบรมทนกับท่านถ้าภายในสามวันเจ็ดวันยังเห็นว่าท่านไม่มีดีขึ้นความประพฤติของท่านยังไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยบางสิ่งบางอย่าง อะไรอย่างนี้แล้วกรณนนีใจคอไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ลาหนีไปเสียก็ได้ไม่มีใครบังคับให้อยู่ด้วยเลยนี่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยนั้นย้อมเป็นอิสระเสรีแก่บุคคลบางสิ่งบางอย่างนะเป็นอย่างนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างนั่น ก็เด็ดขาดไปเลยผู้ใดร่วงแล้วเป็นอันว่าลงโทษกันทันทีอย่างนี้อันนี้แหละเรียกว่าเราเคารพนับถือพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องได้ผ่านการพินิษพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแข็มแจ้งในใจเสียก่อนแล้วจึง ข อ, อนิตใสขออยู่อาศัยแสดงความเคารพนับถือปฏิบัติอุปถาคแล้วไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นอปริญหานิยธรรมข้อนี้ก็สำคัญไม่ใช่น้อยอคนส่วนมากมักจะไปรู้อำนาจแก่ความอยากนั่นแหละ เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นแล้วไม่เพียนพยายามละมันไม่ภาวนาเพราะความอยากเ่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ปวนปันจิตใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปให้มีความอยากอะไรต่ออะไรไม่มีประมาณเลยไม่รู้จักประมาณเลยอย่างนี้ เ, เรื่องของตัณหามเป็นอย่างนั้น เมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามฝึกใจคมใจของตนให้มันได้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันอยากอะไรต่ออะไรไม่มีที่สิ้นสุดให้มันอยากพอประมาณพอเหมาะพอดีกับฐานะภาวะความเป็นนักบวชของตนหรือเป็นกรหัตก็าตามแหละ ก็ต้องรู้จักภาวะของตนภาวะของตนเป็นอยู่อย่างไรเหมาะสมกับปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างไรบ้างอเราต้องพิจารณาดูให้เห็นแจ้งด้วยใจของตนเองแล้วก็ยินดีบริโภคใช้ถ้อยปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่ตามฐานะภาวะของ ตนผู้เป็นภิกษุสามเณรหรือเป็นเครือขัดคลองเรือนก็ตามอย่างนี้แนหะจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้อาํานาจแก่ทันหาอืแล้วผู้นั้นก็จะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับปัจจัยเครื่องอาศัยอา้าวเมื่อเราลดละความอยากความปรารถนาให้น้อยเบาบางลงไปแล้วอย่างนี้นะเมื่อมันได้น้อยมาเราก็ยินดี บริโภคใช้สอยตามน้อยเมื่อมันมีมากมาแล้วก็พิจารณาบริโภคใช้สอยแต่พอสมควรไม่ใช่ว่ามีมากเท่าไรเวรยิ่งสะผมไหวมั่งมากขึ้นไปเช่นนี้ไม่ถูกต้องแล้วไม่เพินธรรมออะืมมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นความเป็นผู้ไม่รู้อํานาจแก่ตัณหานี่น่มันทําให้คนเราอยู่เย็นเป็นถูกได้ ถ้าเป็นนักปวชก็ไม่ทุกเป็นทุกเดือดร้อนถ้าเป็นเครือขหัยผู้ครองเรือนก็ไม่เป็นทุกเดือดร้อ น, น, อออ น, น, ออนในความที่ตนไม่มีปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นบริโภคอย่างว่างมายเหมือนอย่างคนที่เขามั่งมีร่ำรวยหมู่นั้นตนมีความสามารถหาปัจจัยเครื่องอาศัยได้เท่าไร ก็ยินดีบริโภคใส่สอยอยู่เท่านั้นเช่นนี้มันก็เป็นสุขสบายดีไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปชอบไปโกงหลอกลวงคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพเป็นพระทำไปรู้อำนาจแข่ตัญหาดังกล่าวมานี้ก็จะเป็นผู้ล่วงทำล่วงวินัยคือรุดไปเที่ยวประจบประแจงชาวบ้านให้เขาถวาย สิ่งของที่ตนต้องการอย่างโน้น อ, อย่างนี้ไปเข้าไปแล้วก็เป็นมิจฉาอาชีพอะไรบ้างในมิจฉาชีวะมิจฉาอาชีวะเรียกว่าเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีวิตในทางที่พิษเป็นบาปเป็นโทษ เ, เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันรู้จักประมาณ ยิงโยตันหานั้นเรายังละมันไม่หมดแต่ตันหามันก็ใจนี้สร้างขึ้นมาเมื่อเราฝึกใจได้หักข้ามจิตใจได้มันก็อยากพอประมาณอย่างว่าเนี่ยอยากให้มัอยู่ในกรอบแห่งธรรมแห่งวินยัยแห่งศีลธรรมอืมอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่รู้อํานาจเกิดความอยากที่เกิดขึ้น แล้วความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะอันตงงัดหมู่นี้มันเป็นคุณธรรมของนักบวชโดยตรงเลยทีเดียวอันนี้นะเมื่อเป็นนักบวชมาแล้วเราจะไปคลุกขีตีโมงอยู่กับคนที่ชอบสนุกสนานร้องลำทำเพลงดีสีตีเปาต่งางๆนานาอย่างนั้นนะไม่ถูกต้องเลย อย่างนั้นเพราะว่าเมื่อไปชุลมุนรุ่นว้ายคุกคีอยู่อย่างนั้นกิเลสมันก็ย่อมหนานแน่นขึ้นในจิตใจไม่ใช่ว่าเป็นผู้บวชมาเพื่อรักอาสวะกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นให้คิดให้มันเห็นดังนั้นผู้ที่มันน้อมกายน้อมใจ ไปสู่ในป่าในสถานที่สงบสงัดพอสมควรอย่างนี้คือเนีชื่อว่าผูเบิดพรมอาจารย์ น, นั่นก็เจ็ดเจริญรุ่งเรืองเรื่องรุ่งเรืองไปจะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้เป็นอย่างนั้นแล้ววันี้การที่เราอยู่ในเสนาสนะ ในวัดมาอารามอย่างนีนะ้มันก็ต้องตั้งใจอยู่เสมอว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขตั้งใจลงมาอย่างนี้อย่าไปหวงเสนาส น, นะแต่เราต้องตั้งใจว่าขอให้ท่านผู้มีศีล อันดีงามเท่านั้นมาสู่สมนักเราท่านเหล่าใดผู้ใดไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมแ้ะขอจะได้มาสู่อาวาสของเราเราไม่ต้องการเราต้องการตั้งแต่ท่านผู้งสงศินทีลงธรรมเท่านั้น<ๆ>ก็ให้ตั้งใจอยู่อย่างนี้นี้แหละอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวดังนี้ให้พากันตั้งใจศึกษาท่องบนจดจำเอาอภริหานิยธรรมหรือข้อธรรมหมวดอื่นๆไปให้ได้ผู้ที่กำลังเรียนนักธรรมอยู่ก็ตามผู้ที่ไม่ได้เรียนก็ตาม ผู้ไม่ได้เรียนเข้าใจว่าก็คงจําไม่ได้นะนี่อย่าไปละเลยธรรมะเหล่านี้นะต้องดูตำลับตาราต้องท่อ ง, ต, องต้องจําเอาอืมผู้ไม่ได้เรียนก็ต้องท่องเอาจําเอาหัวข้อธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้แล้วตนจะได้ประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ข้อวิในสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆนี่ก็ต้องมานดูทำหลักธรรลาเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลงมันลืมสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นบางคนไม่สนใจไม่ดูไม่อ่านเลยอย่างนี้เอาไปไปเดี๋ยวก็ลืมแล้วทนบวชพฤติร่วงสิกขาบทไม่รู้ทั่วก็มี เพราะมันลืมเลือนไปเนื่องจากว่าในเมื่อคนเกิดมาในสุดท้ายภายหลังพระพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นคนมิวาสนาบารมีน้อยความจำก็เสื่อมความจำธรรมวินัยก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่อย่างนี้นะ ก็รู้ตัวว่าตนมีวัฒนะน้อยความจําไม่ค่อยดีก็ตั้งความหมัน่นความขยันศึกษาเราเรียนเข้าไปท่องบนจดจําเข้าไปได้ทีละน้อยละน้อยก็เอาอเมื่อฝึกตนไปอยู่นี่นานเข้ามันก็จดจําไปได้แม่นยำถ้าถ้ารู้ว่าตนสมองทึบจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ทอดทุระเสียเลย ไม่ท่องไม่เรียนไม่จำอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นคนมืดมนอนตการเรื่อยไปเป็นนักบวชกับนักบวชชนิดไม่มีความรู้อาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่เท่านั้นเองเหมือนคนยากคนจนไม่มีเงินทองจะใช้สอยเราอาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้เราเป็นนักบวชไม่ควรจะไปคิดแต่อาศัยแต่ผู้อื่นเป็นอยู่เท่านั้น เราต้องเรียนต้องจำต้องให้รู้พุทธะ ญ, ญัติโดยตนเองเมื่อรู้ด้วยตนเองแนละ้วมันจะได้สังวรระวังไม่ล่วงไม่เกินออะไรผิดผิดใดเรวก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละเมื่อรู้นะเมื่อรู้โดยตนเองถ้าไม่รู้แนละ้วทำผิดทำพลาดลงไปแล้วนผะู้อื่นตักเตือนจึงไป ร, รู้ตัวนั่นเรียกว่าอาศัยผู้อื่น เช่นนั้นมันก็ย่อมมัวหมองไปเรื่อยเลยเนี่ยคุณทรรมคำสองพระพุทธเจ้านะถ้าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลวาจิตใจของคนเราที่เศร้ามองมาแต่ก่อนนะให้เป็นใจผ่องใสสะอาดอปราศจากราคะโทสะโมหะมานทิธิ สภาะสังกิเลตโน่ใหญ่ทั้งหลายก็จะได้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้ถ้าหากว่าธรรมะนี้หรือวินัยนี้ไม่เป็นเครื่องผัดเรากิเลสออกจากกิจใจแล้วไซพระศาสดาจะไม่ทรงสั่งสอนเลยขอให้เข้าใจพระองค์ ได้ตัดสรู้แจ้งในธรรมสัพเพเยธรรมทั้งหลายแล้วมาทรงพิจารณาเห็นธรรมทั้งมวลว่าธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสของบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้จริงๆเนี่ยพระองค์เจ้าจึงนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเพียงันให้ฟากันเข้าใจ คนเรานี่น่ะเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจคนพ้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าไปเรียนความรู้วิชาจากที่อื่นจากศาสตราอื่นแล้วมีแต่เห็นผิดเป็นชอบทั้งนั้นเลย เหมือนอย่างเช่นรัตธิลูศีดาบทแต่ก่อนท่านกล่าวไว้นะนะเอไปนิยมสั่งสอนในประชาชนทำการบวงสรวงบูชายาันแก่เทวดาอินพรมทั้งหลายถือว่าเทวดาอินพรมนี่แหละเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ เป็นผู้ปกครองมนุษย์เป็นผู้อำนวยความสุขให้มนุษย์แต่มนุษย์ต้องแสดงความจงรักภักดีต่อพระอินทร์พระพรหมต้องทําการบูชายัญด้วยเลือดด้วยเนื้อของสัตว์ต่างๆไอ้อย่างนี้นะมันสอนกันไปอแล้วมันไม่มีใครสอนยิ่งไปกว่านี้มีเท่านั้นนะคนมันก็ต้องเชื่อต้องทําตาม อ่าเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะแล้วก็ตั้งเป็นลัทธิขึ้นมาเป็นศาสนาขึ้นมาแล้วก็คนไม่มีปัญญาก็ไปนับถือกันสืบต่อมาอยู่นั่นเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวงชงบูชายันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมืองไทยเราก็ยังมีนี่ยังไม่หมดจาก ประเทศชาติบ้านเมืองไปเลยลัทธิต่างๆดั ง, ง, งกล่าวมานี่นะอืมมันเป็นงั้นดังนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธขอให้ศึกษาเข้าใจพิธีกรรมอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนก็นแล้วกันเพราะองค์ทรงสอนให้ละเว้นอืมเพราะมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเพื่อทุกข์ต่างๆ น, น, นานานี่นะ ต้องให้เข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วไซพระองค์เจ้าก่อนแนะนำสั่งสอนแล้วแต่แล้วคนเราผู้ขาดปัญญาแล้วมีใครหยิบยกเอาอะไรมาให้ก็เอาพอเขาพูดจาหว่านล้อมไปน่าเชื่อถือได้ก็เชื่อไปเลยอย่างนี้นะ ด้านเมื่อใครหยิบยกเอาความรู้ความเห็นอะไรมาให้ก่อดรับเอานับถือเอาไปไประพฤติปฏิบัติตามอเบ่ <LEGO. S 1> เงงันเลืองมานะ้าผู้ที่นําเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้เอาก่อนนับถือรับเอาเขาเอารัฐที่อื่นมาแนะนําสั่งสอนกอดรับเอา ออย่างนี้นี่ไม่ถูกต้องเลยความเห็นอย่างนี้นะจริตนิสัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนโลเลเป็นคนโลเลไม่รู้จักเลือกของดีของจริงใครเอาอะไรมาให้จะจริงหรือไม่จริงก็เอาทั้งนั้นเลยนี่อย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดผู้รู้ยิ่งผู้เห็นจริง ไม่ใช่มีแต่พระคุณนามของพระพุทธเจ้ายังเอามาเป็นคุณนามของประชาชนอีกด้วยที่กล่าวกันว่าพุทธศาสนกชนอย่างนี้ลหละหรือว่าพุทธบริษัทลองดูสิพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทของท่านผู้รู้ผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้านั่นเอง เมื่อเป็นบริษัทของผู้รู้ผู้ฉลาดแล้วแล้วมันก็ควรที่จะศึกษาวิชาความรู้ในผูริศาสนานี้ให้เก่มแจ้งให้เกิดสติปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสมกับว่าได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดเฉลียวยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงๆนี่คอยพากันนึกอย่างนี้ พุทธศาสนาชนแปลว่าบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจหรือจะว่าตรงๆก็ว่าแปลว่าประชาชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงซึ่งรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ อย่างนี้ก็ถูกต้องดีเป็นอย่างนั้น เ, เมื่อเรามีชื่อติดอยู่ในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะเรื้องอะไรเราถึงจะเบนไปนับถือัที่อื่นนี่ขอให้เข้าใจกันพิจารณาให้ดีไอคนบางพวกนับถือพุทธศาสนาเชื่อตามๆกันไปเฉ ย, เฉย ไม่ได้ฟังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่ได้สังเกตท่านผู้นำทางพุทธศาสนาว่าท่านนำไปถูกต้องหรือไม่หรือว่านำไปในทางผิดก็มีเช่นนี้นะไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเชื่อว่าท่านผู้พูดท่านผู้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนแล้วนั้นท่านต้องเป็นผู้รู้หลักนักปราช เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องแล้วอืมเช่นนี้ไม่ได้พิสูจน์ให้นานพักหน่อยเลยเชื่อไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าเชื่ออย่างงมงายเชื่อตามๆกันมาเฉยเชื่อความเชื่ออันนั้นปราศ จ, จากเหตุผลอันดีงามนี่ไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอืมก่อนที่เราจะเชื่อใคร หรือว่าจะเชื่อวิชาความรู้อะไรอย่างนี้เราต้องพิสูจน์กันให้นานสมควรซะก่อนพศจารณาสังเกตสังกาความประพฤติของผู้ที่เราควรจะเชื่อถือปฏิบัติตามนันน ะ, ะต้องสังเกตไปซะ ก, ก่อนจนเห็นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยจริงๆ มีความเห็นตรงตามทำในใดแล้วท่านก็ประพฤติตามแท้แท้เช่นนี้แล้วก็จึงค่อยเชื่อคำสั่งสอนของท่านจึงประพฤติปฏิบัติตามเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอปริหานิยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งกิตประการ ด, ดังที่นํามาแสดงให้ฟังนี่นะไออย่างที่ข้อแรกนะนู่นมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้เมื่อเราประชุมกันบ่อยๆเข้าไปก็เป็นเหตุให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาผู้รู้ผู้ฉลาดท่านก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ความฉลาดให้อย่างนี้แหละเหตุดังนั้นจึงว่าเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม มาสู่ที่ประชุมให้ทันกับเวลาตามที่นัดหมายเขาว่าอย่างนั้นนะแต่นี่ที่นี้ก็ยังปฏิบัติตามไม่ได้ก็มีอยู่ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหนักหนาเมื่อถึงเวลาประชุมพร้อมเพียงกันแล้วก็ยังไม่มาประชุมพร้อมเพียงกันอย่างนี้นะดูแล้วเห็นไม่เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอะ่ะ ควรจะตั้งใจเข้มแข็งกว่านั้นก็ที่ให้เห็นแล้วว่าเป็นนักบวชนี่นะไม่ใช่ว่ามีธุระการงานหนักหนาอะไรอะ่ะก็ลองสังเกตดูสิลองพิจารณาดูความเป็นอยู่ของตนเองนะ ว, นวันวันหนึ่งนี่นะมีธุระอะไรบ้างพอที่จะว่าอันเป็นเหตุให้ขาดการประชุมการทำกิจวัตร บางสิ่งบางอย่างอย่างนี้ก็ลองสังเกตตัวถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอุปสรรคอะไรสำคัญที่จนเป็นเหตุให้ล่าช้ามาประชุมไม่ทันเพื่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงถึงกิเลสของผู้นั้นเองเนี่ยเป็นคนสะสมความเกลียดคร้านไว้ในใจ ไม่ตั้งอกขั้งใจไม่เอาความหมั่นความขยันเข้ามาไว้ในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ราชา้าอย่านั้นเมื่อมาประชุมไม่ทันแล้วเพื่อนพูดอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้นะไม่รู้แล้วก็เลยไม่เป็นคนไม่เป็นคนไม่รู้ไม่ฉลาดซะแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละ ให้พึ่งพากัรปฏิบัติตามอภริหานิยธรรมจิตประการมีการหมั่นประชุมกันเนืองนิดและเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่สงจะต้องทำเป็นต้นดังแสดงมานั้นก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติลงเพียงเท่านี้